บุกท <Book> <40. S 3> ูสี่สิบชการสอบถามทางซลดาร์โมรเดมาซีรฮาริแัตขอโทษครับมาเอเซรัตมีขช่วยผมทีได้ไหมครับ می توانید به من کمک کنید؟ ت ا و ن ی می ران آن دی دی می کرد. در این اطراف رستوران خوبی وجود دارد. لیو سایی ه و موم کرد. سرنابش سمت چپ ب ر و ی ت تا از این طریق س م ی می رود. ی ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งรเมตรครับ Ba ซเม به طرف ร ست ب ดคุณสามารถไปด้วยรถเมก็ได้บอ اتوبوس هم می توانید บรว ی ดคุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้บ Metroham می توان บรว ی ดคุณขับรถตามผมไปก็ได้ ک ک ผมจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรครับเชื่อกันไหมเบอสต์โดยัมฟุตบอลเบราแวนข้ามสะพานไปครับอัซพอลออบูร์คลอดอุโมงไปครับอัซทูนออบูร์คอน ขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามครั บ, ต, บ ر ر ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกครับ ی ی ต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกถัดต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกถัดไป ขอโทษครับผมจะไปสนามบินได้อย่างไรครับ ببخشید ชีฉกูเน่เบฟูรูดโกะเบราวมวิธีที่ดีที่สุดคือไปโดยรถไฟใต้ดินเบ ت ์ต ن ริงรอินสัสเจโบเมโทรเบราบดออกที่สถานีสุดท้าย ت ออคารินอิสก้เบราบิด